เพราะเหตุไรคนบางคนค้าขายจึงขาดทุนพุทธดำรัสตอบดูกรสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้เข้าไปหาสมณะหรือพรามแล้วย่อมปวารณาว่าท่านจงบอกปัจจัยที่ท่านประสงค์มาเถิดเขากลับไม่ถวายปัจจัยด่งที่ได้ปวารณาไว้ถ้าเขาเคลื่อนจากอัตภาพนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์นี้ เขาทำการค้าขายอย่างใดเขาย่อมขาดทุน